พายิบปาถึงยาปฏิบัติสะวกนี่เลยหลมพวกเราพวกเราเคยที่ไม่ใจนเคยเลยยึนเลยฟ้งมาเคยศึกษาเคยปฏิบัติแต่ผก็เป็นไปยากถึงยากก็เลยเหลือฤิสมันพยายามศึกษามันพยายามติดตามยากวางมือไม่เอาเคลความยากมันจะเป็นย่างไร เมอเราจะสมเหให้เดินไปไหนได้ยากก็ไปทําำขาะที่พวกเรามีคนเดินทางที่นี้ขุดขัดที่นี้กันานแต่จุดหมาย้ลายทางเราอยากจะไปอยู ạn, ่น <st ay> Th in ู้นแต่มันยากมันลำบากหน่อไปเราจะนึกอยู่ใจใจมันจะถึงไหนได้ถึงด้เลาบากตื่นสายพยายามฝ่าฝืนไปมันต้องอยากด้วยก่อน ถึงจะไปทบง่ายถ้ามีใจเข้มแข็งการศึกษาการปฏิบัติธรรมะเป็นของได้เป็นของลําบากเพราะสาขื้นเรื่องกิเลสปัญหากล่าขื้นเรื่องทางจุดจิงของเราน่ะแต่ไหนแต่ไรธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นข่าว์ศึกกับกิเลเพอจะทําอะไรไปนั่นต้องขัดต้องหละเอาไว้ ต็มหน่งข้าวนาะก็กลัวจะเม็ดเต็มเลยกลัวส่งนี้จะทำงานไม่สะดวกอย่างนัง้านะฮนอนเคลื่อนไปต่างๆนะนะค่ะจุดี้นนะี้ภาวนาขี่กางานค่ะยุดที่นี้าวนาขี่การงา น, าา น, า ก, างานกับตัวธาตุแข็นมันจนทานจะเปร ย, ย์่ความคิด่ไปต่างๆมันมีสำหรับยุเรศในอย่างนั้น ภพฐานของพวกเรามันก็หมดไปแล้วทำไมเชื่อเรื่องขงจินต์เขื่อเรื่อหของธรรแต่เราเชื่ อ, อ, อ, ยอยเรื่องของธรามอย่างไรเราตจะทำถึงอยากถึงลำบากขนาดไห น, นก็คมหยุดคนใจทำให้ได้ทำลงไปมนวหอนอะไรเกิดขึ้นจะไม่ยอมหยุดตัณหาตัณตาท อย่างเอานเอาใสหนึ่งทุกคนทำอยางนั้นเหือความเอาใจใส่เหือความใส่ใจจีนจัถึงแบบถึงราก็จะมีโอกาสเวลาได้คุณค่าตอบแทนคือความสงบความเย็นเย็นข้องใจความสุของใจถเชื่อตอเืองท้องจี่เดกก็จะมีโอกาสเวลาดังหนุนดังเด็ก ก็ท claro. ี่อ่ะยังเงิงเบิกอูเพื่อเตรียมไปเจ้ากรเขามีครอบครัวสมัยก็ที่อ่ะพาราณธีมีแม่มีลูกมีหลางมาก็อีกอ่ะจิตลูกจิตหลานยังทำอะไได้จิตการจิตงานใส่าส่ถ้าเจ้าแม่ก็อะหลังใ้่ในเต้นท่ามาทานให้ทำาม่ได้นั่นกอะไรมีโอกาสเวลาให้ เรามาเชื่อเรื่องของมันเราจะทำให้เป็นให้เห็นให้รู้จริงจังจะนิ่มน้อยกว่าตามจะเท่ากว่าตามคุณงามความดีอาจทำไม่มีแ่ไม่มีหนึ่งเป็นอันโยกยกยึกใจถึงมีกิเลอปัญหาเป็นอันโยกย์ชำระได้สะสางได้พยายามกำหนด จิตกำหนดใจทังตนถ้าคุณผีเคยฝึกเคยอบรมเห็นผลคือความสางบสันต์ของใจไสบายๆบังคับบัญชาญาก็เคยฝึกเคยสบายเคยได้จากการแต่ทำมันเชื่อมัน่นมาเดยทำํำอย่างนั้นจิตใจมันไม่สบายจะไปสถ า, านที่ใดอยู่สถ า, านที่ใดถ้าได้กำหนดใจ ให้สงบรู้สึกว่ามันสุขมันสบายถ้าจิตใจวุ่นวายสึ่งต่างๆรู้สึกเสียใจให้ตัวเองนี่คือคนเคยเห็นผลจากการกะรทำบำเพ็ญเคร่งศพแม่นีคือมีอาจารย์แนะนำหรือไม่ตัวของเราเองก็ตั้งใจจะทำอยู่ตลอดเวลาคนที่เห็นคุณค่าของธารมนะเนคุณค่าของการปฏิบัติเป็นอย่างนั้น อยู่สถานที่ใดอยู่กับอัดกับทำไม่ได้อยู่กับโลกไม่ไดอยู่กับเยิ่งเล่มหนึ่งหน้าศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในที่เจรณาให้ผ่อนใจละถอนเรื่องต่างๆกับทุกคนมันมีสัญญาอารมณ์ในใ่มันไม่มีแระอริยเจ้าท่านก็มีเหมือนกัน สัญญาเาเร้นในอย่างนั้นท่านก็นเลยมาแนบสอนพุทบธบริษัทได้สาเหตุดใดก็รถ่อนจ่อยวางสัญญารมนเถื่วไปแล้วจะเอาอะไร น, นะแนบสอนสัญญาอาเร้นหรือขันหาน้าคีอท่านเก่าไว้วรู้เวทนาสุขทุกเฉยเฉยอย่าเวทนาสัญญาคือความจดจำ คามหมายต่างๆทั้งข า, งานคือความปรุเครืใจยินดานคือความ ร, รับรู้จากอายตนะเมื่ออยู่ถ้าหากเราศึกษาในด้านธรรมะสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นธรรมะถ้าเราไม่ศึกษาในทพ่จะมาสิ่งนี้จะเกิดเป็นโลกทําให้โลกให้กลัวให้หลงทําให้เดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่มีสุกไม่สบยัย ใจจุดเนี่ยพิจารณาเป็นที่จะเป็นมีนุษย์บริสุทเข้าใจขนาดชัดเจนว่าขันอันนี้เป็นเรื่องของขันไ ม, ไม่ใช่เรื่องกิเลสในเรื่องตัญหาแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดบังเอาไว้ให้เห็นไม่ให้รู้ตามความเป็นจริงเข้ามันกว่าจะไปถึงขันนั้น มันจะต้องขึ้นมิจฉาณาไปสายทางในอย่างไรไว้จะต้องเดินไปเหมือนบันไดถึงมันจะขึ้นยากก็ต้องขึ้นไปเมือย่างนั้นจะมาถึงบ้ า, านการจะทำมันเพิมก็ทํานองเดียวกันขอทุกท่านจะหมั่นมิจฉาณานำธรรมะของพระพุทธเจ้าศึกษาเพราะคนเราเกิดมามันก็มีเจ็มีเจ็บ ม, ม, มีตายเป็นธรรมดามันมีใครในโลก ที่จะเหลือหล่อูบ้า้จะเถิดเพลอมัวเมาไปเท่าไรความแฉ่ความเจ็บความตายมันจะไหนหลุ่มหลเงเถิดเพลอไปตามเราเราจะนั่งจะนอจะนอจะกินจะดื่มอะไรความแก่ความเจ็บความตายมันจะประจำอยู่ในถาดในขันเหลือ่อยไปเมื่อเป็นอย่างนั้นจะควรนอนใจอะไรกันในถามมดในขันเมื่อคุณงามความดีอะไรยังไม่มีในตัวของเรา ล้วตายไปทราบได้ดีไหมเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์เถพ่อนผดุเถื่ิดาหรือจะไปเกิดเป็นอะไรข้างหน้าเมื่อรายังทราบในบ้านเราควรนอนใจทันทีที่จะไปเรายังไม่ทราบหรือเราทราบแล้วการเกิดในสุดที่ต่างชาตยังไม่ถึงความบริสุทิมนุษย์นั้นมั่นเป็นทางดีเราหรือ เม่กิดใสถานที่ใดเมื่อเกิดได้มันก็ดับได้ควรฝึกจิตโอมใจของตัวให้ถึงปิดหมายตายทางสือ ม, มุเมื่อถึงย ม, มุทแล้วจึงจะบริสุทธิ์จึงจะปลอดภัยไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องให้เส้นสายไ ม, มีอะไรที่จะมาก่อเกลือนให้เกิดทุกข์อีกนอกจากทุกข์ในขัน ทียังมีอยู่เท่านั้นส่วนทุกในการละการมนเพิมส่วนทุกในจิตในใจอย่างโฟกัสบริเทวะไม่มีในความบริสุทธิอนั้นนี่ท่านูถกอวจิตจึงได้เสียพวกเรากระเดือกสบายลยโ่งโยงหุ่นวาย ข้างเคียงโลกเขาโยงยื่อโยงไว้้างเคงโลกเขาหลงทันก็ไม่หลงโลกเขาทุกข์ทันก็นม่ทุกข์เรืวเหล่านี้จะมีใครที่จะช่วยกันได้นอกจากตัวของเราเองจะช่วยตัวของเราหมัอนฝึกบรศึกษาเหมื่นที่นิพพานกำหนดเรื่ดงจิตใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้หากฝึกได้พระพุทธเจ้าเป็นสิ่ดี วเิเศษเปมนได้ครออาจารย์ขาวกที่จะส้นไปจากโลกส้นตัวไม่ได้ฝึกไม่ได้ก่อนท่านก็เหมือ น, นกันกับเพื่เราท่านมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีตัวมือท่ า, ท, าที่จะสร้างดีชั่วให้เกิดขึ้นได้นั้นมีอยู่ดีชั่วคือเราจะสําระหรือบำเพ็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงพร้อมอยู่ในตัวของเรา แหนใแช่อยู่ในที่อื่นเหืือตัวของเราเอาใจใส่ปัดเป่ากิเลสปัญหาสายตามไ่ายชั่วให้หมดไปสร้างคุณงามความดีฝีสมาธิปัญญาให้มากขึ้น <c oughs> ความบริสุทธิ์ในต่องไปถานถึงมันจะเกิดขึ้นเป็นขึ้นเหมือน ก, นกันกับทุเรียนหรือโมเม่ว ขอให้บำรุงรากต้นของมันให้ดีเมื่อมันตกดอกออกผลแก่สุกเป็นที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่ให้มันหวานมันหวานเองของมันหรือจิตใจของพวกเราท่านเมื่อมันถึงที่สุดกับทำ น, นองเดียวกันมันหลุดเออเมื่อบำเพ็นดีความหลุดนั้นไม่ใช่เราจะตุ้นแต่งเอามันเป็นของมัน ดังนั้นตัวน่อมีปัญหาว่ามัหลุดหรือยังเพราะตัวของตัวมีสติมีปัญญาที่จเจอ า, ามาตามขั้นของความสงกของความละเอียดของใจพอถึงที่สร็จแล้วจัวหน่มีปัญหาอะไรที่จะติดข้อขอสําคัญของในตัณงใจทำทำนักที่ตัณฑ์เป็นปัจจิตตัง เป็นสันสิธิโกมันมีอยู่ทุกขั้นไว่าขั้นต่ําข้นกลางหรือข่านสูงสุดแต่เรามาดูพี่เจมาดูว่าสันสิทธิโกเห็นเองเห็นอย่างไรก็จิตเราเกอขึ้นก็เห็นความสงบเกิดขึ้นก็เห็นเห็นเองในจิตในใจของเรามันสงบขนาดไหนสบายขนาดไหนเราก็เห็น มันโกรธขนาดไหนมันโลภขนาดไหนมันหลงขนาดไหนเราก็เห็นเห็นอยู่ในจิตในใจของเราเห็นเป็นตาดำตาแดงจนร้องไห้หนอนมันขึ้นจนถี่เ็นฐานขึ้นมานต่มันไี่พงมารณาการจนชิ่มสันชิตรโกความชั่อจะเป็นสันชิตรโกความดีจะเป็นสันชิตรโกตามขั้นของจิตฐานนจึมัมีที่อื่นมีที่กายที่ใจทางสมระก็มีที่อื่นอีกเหมือนกัน หากชำระได้ความบริบูรณ์เป็นอย่างไรก็เป็นสัญที่คือโกเป็นจัตเจตังกระจังประจำนตัวของตัวอีกเหมือนเด็กถึงผืดมาเป็นเมื่อมันอื่นมันก็ไปจิ้เดี๋ยวพอนมันเอาใส่ปากมันนั่นก็คายออกมาจิตใจคือมันเพียงพอบริบูรก็ทำเอาหนังพยายามทำฝึกตัวเองให้มันถึงความอื่ม อย่งถึงความอื่นแล้วมันเป็นอย่างไรจักข้าใจในความอื่มในต้องไปถามไหนแล้อื่ได้ยจังในบ้าท้านทนสืบ ต, ตัวอื่ไม่รู้จักว่าตัวอื่นตัวหิวไม่รู้จักว่าตัหิวการภานาก็ทํอาเดียวกันหยุดเดียวนี้มันชิดมันฟในเน่ไหนเป็นโกหรือเป็นธรรมก็ไม่ข้า นั่หลับหูหลับตาเงี้ยหัวตอบสติปัญญาหน่อยมีเราได้นั่งก็ถือว่าดีเท่านั้นแต่มันดีอย่างไรจิตใจใงใสจิตใจเยือกเย็นจิตใจเป็นธรรมได้ไหมไม่ได้เบว่อกรบตรวจดูจิตใจทังตัวถึงเวลาทําก็ทําไปถึงเวลาเดินก็เดินไปแต่จิตใจนั่นู่ไนมตอบเป็นธรรมได้ไหม แต่ทําทแบบนั้นนั่งก็ดยากลบาบากที่จะไปประสบทํามสุความบริสุทธิ์บ้างพยายามมีสติรักษาจิตใจของตัวการเป็นเพิ่มภานาอย่าไปทิ้ว่าเป็นหน้าขี่ของคนอื่นเป็นหน้าขี่ของตัวเองที่จะทําการรักษากายาจาใจจะเป็นหน้าขี้ของเรา จะรักษาคนอืาา่นใมจใชคิดฆ่าพระพุทธเจ้ า, จจาบอกสอนแถวนั้นจะเอาได้ไหมเอาถ้าองคาไหนดีพระไทยในเสียพระไทยถ้าองค์นมีอะไรสิเจ้ามาแบ่งปันจากเราเราเชื่อก็เป็นเลือยของเราเราดีกะเป็นเหรียญของเราจึงควรทาเตัวของตัวเองอยากดีอยากมีความสุอยากสงบแต่ยากคิดอยากซึ อยากติดอยาข้ อ, องเรื่องอารณ์สัญญาต่างๆพยายามกำหนดให้จิตเดือดจิตดูเหมือนบ น, น้าจีนีประตูเวลาอยากจะให้จิตก็ะิดได้อยากจะเตือก็เตือได้ใจที่มันมีประตูเตือดูตลาดเวลาอย่างนั้นจตทีเห็นสาบวะอะไรนะันออกบ้างเข้า คนที่มีปัญญาเขาเลือกหาเว่า อ, อะไรทั้งหมดอาหารใส่ปะกใส่้องของเขาทำสาเร็จมาแล้วเถอในจานเข า, า, าเก็ยังเลือกนนกา่างกระดูกเขาก็ต้องเอาออก่ปัญญาอารมณ์ของเราก็นเนื้อนงกันทั้านภายในก็นเนื้อนงกันมันมีกลางมีกระดูก ที่จะทำให้เจ็บให้ปวดให้เดือดร้อนต้องตักหากเรามีตัญาที่นิพพยนาเป็นคุณ น, นาอันนี้เป็นอจูเส้นสาเส้นเจ็บตามเอาไว้จะทาใจให้เศร้าหมองทาใจให้เดือดร้อนเราทราบดีว่าเป็นของในม่ดีเรากดถึงมันเสียใส่มันเสียนี่นนคือ คนมีตํยาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเลยหอบเอาหามเอาทีเรียวจะมันเกิดขึ้นอย่างไรจะเอาอย่างนั้นไม่เอาสิ่งที่ไม่ควรเอาใจในที่สิ่งที่ควรเอาเอาถ่าวมันีะเกิดยัางนี้เกลดกินต้องเสียมันจะติดคอต่างก็จินไปสีไปซ้อมนี่เรื่อง จิตใจของเราเรื Japan, so, ่องเทโลกันมีอยู่อย่างนั้คนที่มีปัญญาจึงสามาถที่จะพิจารณาหขอจรกกายจากใจจากโลกได้คนที่มีปัญญาก็เล่นเหวี่งเรื่อยไปตทำไมวันนี้เศร้าหมองทำไมวันนี้ฟอใสทำไมวันนี้สงบทำไมวันนี้ยินวาสาเหตุตเจขึ้นจากอะไรทำไมพิจารณามัน รือจากสาเหตุใเรื่องจากของแฉลงมันก็ยากการคิดการเพ่มการพูดการคินการดื่มต่างต่มันเป็นสาเหตุอันหนึ่งซึ่งจะให้จุดใจว่าหุ่นขุนมัวไปได้สึกสบายไปได้เราก็ต้องพิจารณาอะไรที่มันเป็นเหตุให้ใจดีใจชั่ว เมื่อเราจับเก็บมันได้คอยใจมันดีมันกิอะไรเราวียนเวีเเสียต่างๆในจิตในใจการศึกษาจาบตัวเองจะต้องเป็นเรื่องตัวเองพิ่เรณาตัวเองนอนมากมันเป็นอย่างไรกินมากมันเป็นอย่างไรพูดมากมันเป็นอย่างไรนั่งมากเดินมากมันเป็นอย่างไรเรแบบไหนเกิเป็นสัตไปจะทำจิด ทำใจให้สว่างสวัยทำจิตทำใจให้ผ่อใสสงบเย็นแล้วต่อพี่เจนาะการจตะทำการฝูกการคิดของเราไม่อย่างนั้นก็ยากลำบากเหมือนคนตาบอดเดินทางไม่ใช่ว่ามันจะไปตกลินตกบ่อที่ไหนทำหนีตามองเห็น อย่าไรจิตใจที่มีปัญญาจึงถูกแบบนั้นเลื่อยมาบางทีดีบางทีชั่วเพรตัวของตัวหน่ที่เจ้าหน้าหาาเหอย่างของตัวเองเนื้นสา้าเหตุองตัวเองจมีทางที่จะลนเชื่อบำเพ็ญดีดีถือปฏิบัติก็ชื่อว่าหมึ่งเป็นสอง แน่นอนหากเกิดปฏิบัติได้มันจะเป็นอย่างไรมันเป็นใจโลกทั้งโลกมันจะทะลมไปแบบไหนให้มันเป็นใจกายมันจะแตกลายไปเมื่อไรก็ให้เป็นใจเพราะทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันแตกดับสิ่งที่ม่รู้ไม่ใช่สิงเหล่านี้แล้วมันจะแตกดับไป กับสเหล่านี้หรือไม่ก็ทราบ้างมันเป็นในมีทางหลั่นไหวในมีทางเหล่องไหลในมีทางเสียใจไปตามเรื่องของโลกขอขังของกาฝึกในเห็นในเป็นภายในตัวเ่ฝึกได้ควารฝึกความสบายอะไรจะไปเสดวิเศษเท่ากับจิกที่หมดย่เหลือปัญหาไหม่นี้ัตถิสันติตารังฝุกขัง สึกอื่นจากความสงบไม่มีคือไมันสงบอยู่ทุกระยะทุกเวลาทั้งทีไปที่มาที่ถูกที่ชิดมันไม่มีอะไรที่จะเป็นพิดเป็นไัยว่าทาไมมันเป็นอย่างนี้จิตใจมันไม่มีทางสงสัยนึ่งผูกผิถึถถงนักผิดฉันฝีกาลังสุกขานจรงิงจังเป็นอย่างนั้น ถ้าเราท่านยังไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็พยายามทําไปในวันใดวันหนึ่งก็จะถึงได้เพียงแต่อยากจะถึงไม่ทำนั่นก็มีมีวันถึงมีวันได้มีวันเห็นแต่ทําอยู่ก็มีวันที่จะได้จะเห็นจะเป็นไปได้การศึกษาธรรมศึกษาที่การที่ใจทังตัว แยากไปศึกษาที่อื่นแต่สิ่งอื่นเขาไม่หลอสิ่งอื่นเราไม่เกิดขึ้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นิงอืนเราตาไปมันก็มีอยู่อย่างนั้นอย่างดินฟ้าอากาศนอยู่อย่างนั้นแล้วอะไหายไปทื่ไหนรเสียงกิรสสัมผัสก็ถ้านอนเดียวขึ้น เราไม่เห็นมันก็อนมีอยู่อย่างนั้นเราไปเห็นเราไปตืนเต้นน่ะดูหน้าชมหน้าต่ำหนึ่ต่างๆ้วนาไปจุดไปไหนไปคิดเสียงกับนี้กันมันมีอยู่ก่อนเราเกิดทีเหล่านี้มันมี อ, อยู่แต่จำเลวถ้า้รามมีมันก็หลงเรื่อยไปถ้าเราลืมัน ก็ไม <ersch> ่มีอะไรจะสงสัยอดีตอนาคตเป็นอย่างไรดูปัจจุบันเข้าใจทั่วถึงหมดนี่คือจิตจิตเข้าไปถึงธรรมจริงจังโลกไม่ละไปหมดจะโนไปหมดพอดูแต่ตัวของตัวดูแต่เรื่องของตัวมันก็ทั่วไปอดีตอนาคตเพื่อโลกไม่มีทางสงสัย การภาวนาเป็นการแก้ปัญหาของจิตเป็นการทําจิตให้รู้ให้สบาใจตามเป็นจริงไมเหมือนการเรียนขางนอกเรียนข้างนอกเรียนได้ขนาดไหนก็เรียนไม่ได้เดี๋ยวสัญญาสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาไม่จะมีการหลงการลืมการบังคับัญชาไนบ้า้เป็นไปตามเรื่องของสัญญา ตะเรียนภาวนาหาอริยสัจพอใจอริยสัจมันกินไปหมดอดี อ, ดอานาะคตมมนมีสงัยจึงเป็นการจบเรื่อเรียนต่อไปเราจะเรียน อ, อะไรอีกคือมันจบในจิตในใจในมีทางสงัยถึงจะ เขียนในอาเมนดานั้นก็มนในทางสงสัยในจิตในใเพอมันแก่ไขสิ่งที่จิดข้องของตัวออกหมดนมีการหลงนมีการลืมอริยสับการปฏิบัติของตัวดีเชั่วต่างๆที่มันละมันถอนมาได้ส่วนเรื่องสัญญาอื ขายนอกมันต่องลงฉนั้นเรียนการเรียนภายในจึงจำเป็นที่จะเรียนคนหนึ่อยากมีความสุขความสางบพากไปแต่ทำมันเข็มโอกาสเวลาหน้าที่เป็นของทุกคนแต่ถางที่ที่เรามาจะถือว่าเป็นป่าปกติธรรมดาก็สงบ ใจจิแล้วสงบแต่กิตเราไม่สงบอยู่ป่าอยู่วัดก็ไปคว้าเอาเรื่องอดีตเรื่องถิ่นใด้นดนใดนะคิดมาเป็่งอยู่ในใจสถานที่จะสงบขนาดไหนใจนั้นจะสงบให้เพราะว่าจิดประตูบ้านไม่มีประตูอะไรมันจะเข้าไปเข้าไปได้ไ ถักข้ามเอาไว้ตั้งใจภาวนาแต่บริกรรมเลิกสงบลมก่อนตั้งใจจริงจังจิตให้ตายเสียก่อนเื่องอดีตอนาคตเห็นสงบสงบเห็นอัศจรรย์แล้วมันเป็นไปเองตัวจักใหญ่มันเดินตัวจักแล้วมันก็เดินไป หายใจเป็นธรรมแต่น hmm. ั refused, ้นตาก็เป็นธรรมหูก็เป็นธรรมลูปก็เป็นธรรมเสียงก็เป็นธรรมหายใจเป็นธรรมหาใจก็เป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่เป็นโลกไปหเป็นวิเวกปัญหาไปหมดเพียงเสียงฝึกฝนจิตใจของตนให้เป็นธรรมโอกาสเวลาที่จะได้ศึกษาโอกาสเวลาที่จะได้มากระทั่ บางแผ่นบางคนก็มีน้อยบางแผ่นบางคนก็มีมากเป็นท่าเน้นก็มีคุอลักษณะคืออะไรนอกจากจะกำหนดฝึกจิตเอื่อใจของตัวแค่ว่าก็มีการงานต่างๆแมาโอกาสเวลามาอบรมศึกษามาแต่ทามันเพื่อนาแต่เมื่อาถึงสถานที่ก็จะหอบหิ้วสัญญาอารมณ์อดีต ที่ผ่านมามาทำอยู่ในวัดในวังในปอยขึ้นละถอนใจตั้งใจกำหนดความเพียรทันคติทันปัญญาของตัวยให้อยูใ่ในเตือยของตัวถูกอบรอมให้จิตสงบระงับสัญญาเารมณต่างๆจะเห็นอนิสง จิตจะตั้งมั่นทำารงาน้าออกภายนกจะได้สะดวกสบายเพราะจิบมีกำลังจิตได้พักผ่อนเพียงสมาธิจะเป็นของอัศจรรย์ถ้าสมาธิจะตั้งมั่นจริงจังวงถึงขั้นสมาธิอัปนาแล้วมันสบายมันสงบ มันจยวางไปทุกอย่างสัญญาอาลมที่เคยมือมาเกี่ยวข้องมันหมดใจพใจเป็นหนึ่งมีกับความรู้สึกเท่านั้นอย่างกายปวดไปก็เจ็บปวดเหน็ดหนึ่งเหนื่อหไม่เหนื่อากกดพอเนือออกมานอกมันอยู่อป็นหนึ่งของมันมันจึงเกิดอัศจรรย์ว่ะเอ๊ะ ทำไมความถูกส่วนนี้จึงเป็นแบบนี้จึงละเอียดอย่างนี้จึงลเอย่างนี้พอมันเข้าไปถึงไปเต็มมันจะเห็นอัศจรระชื่อนั่นหัมาเรื่องจะเผยร้เใจควาเป็นใจของชีวิตแสดงธรรมะหรือว่าพระเจ้าแสดง นีไปที่อื่นแสดงเป็นเออแต่ไม่ยึดโกะนะ k นภ า, ายในตายใาทั้งตัวทั้งและทุกสิ่งท้งอย่างนเกิดจากภายในม่นเกิดจาก้ า, ายนอกหาที่เกิดมม่จะเกิดนม่นได้โลกเกลงไมจะเกิดขึ้นจากใจข อ, องเรานักผลธรรมวิเส มันจะเกิดขึ้น จ, น จ, จากจิดใจอีกเหมือกันฉะนั้นอย่างการแสดงทันการแสดงทีมาเกิดมันไปแสดงที่อื่นทุกคนมีโหลกปวดเรื้อนติดเันตามตัวอเรื่อยมาทันใหตุเออเอ